ส่วนข้อความในมัทุรัตถาวิลาสีอัตกถาพุทธวงศ์กล่าวไว้ว่าภายหลังจากสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าติดสะพระองค์นั้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายเสื่อมลงโดยลำดับแล้วก็เจริญขึ้นอีกอ น, นะเจริญขึ้นมากจนอายุเป็นอสงไขยปีนับไม่ได้ลดลงมาเสื่อมลงมาจนถึงอายุได้ประมาณเก้าหื่นปีในกลับนั่นเอง พระศาสดาพระนามว่าพุทธะก็อุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นบำเพ็ญบารมีเนะเช่นกับพระเวสสันดรเป็นต้นนั่นแหละบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากดุสิตก็ถือปฏิสนธิในพระครขนของพระนางสิริมาเทวีอัคราเมฮีสีของพระเจ้าชัยเสนกรุงกาสีกาสีนี่ก็คล้ายเมืองพาราณสีพาราณสีนี่มีชื่อว่าแขวนกาสีแต่คนคนลกลับกันเลยนะ พงอยู่ในพระคันจนกําหนดครบถ้วนทศมาสประสูติจากพระคั์ของพระชนนีสริมาราตประสูติณสริมาราชจุทยานพระองค์ก็ครองคารวาตวิสัยอยู่900าปีได้ยินว่าพระองค์ไม่มีปร า, าสาทสมหลังนะครัวหะปักขะที่รปร า, าสาทครุธปร า, าสรราทหงและก็สุพรรณภาระเนี่ยนะหรือว่าสุวรรณดารา ปรากฏสนมกำนันหญิงฟ้อนราขับร้องดูแลประมาณสามหมื่นนางมีพระนางกีสาโคตมีเป็นประมุขเมื่อพระโอรสของพระองค์พระนามว่าอนุปมะอนนะโอรสของพระนางกีสาโคตมีสมภพพระมหาบุรุษก็เห็นนิมิตทั้งสี่เห็นคนแก่เห็นคนป่วยเห็นคนตาเห็นนักบวชเนี่ยนะก็ขึ้นยานช้างพระที่นั่งประดับแล้วออก มหาอภินิษฐสกรมผนวดมหาชนประมาณโกดหนึ่งก็บวชตามเสด็จพระองค์อันพิสูจนเหล่านั้นแวดล้อมทรงบำเพ็ญเพียรอยู่หกเดือนจากนั้นพระองค์ก็ละหมู่คณะเพิ่มความประพฤติแต่ลําพัง น, นะหมายว่าเพื่อวิเวก น, นะนะคือบริวารมากขนาดนั้นในที่สุดพระองค์ก็วิเวกละจากหมู่คณะอยู่ลําพังเพียงพระองค์เอียวพระองค์เดียวในวันวิสาขะบูรมีวันเพ็ญเดือนหกตอนเช้า พระองค์ก็เสวยข้าวมาทุปายาที่นางสิริวัทาที่ดาของเศรษฐีผู้หนึ่งในนครแห่งหนึ่งถวายพระองค์ก็ยับยั้งพักกลางวันณป่าศีสะปาวันเวลาเย็นพระองค์ก็รับญาตแดกรรมที่อุบาสกชื่อว่าสิริวัฒน์ถวายพระองค์ก็เสด็จไปยังโคนโรพพฤกชชื่อว่าต้นอมละกะชื่อว่าต้นมะขามป้อม พระองค์กําจัดกองกําลังมารพร้อมทั้งตัวมารแล้วก็บรุพระสัพพัญญุตยานเมื่อบรุสัพพัญญุตยานพระองค์งก็ไม่ละพุทธอุทานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์งอุทานออกมาก็คืออเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังขะกาลังคเวสันโตทุกขาชาติปุณัปปุณังเป็นต้นพระองค์งก็ยับยั้งอยู่ใกล้โพเพิกประมาณเจ็ดสัปดาห์พระองค์งก็เห็น นะสัปดาห์ที่8พระองค์ก็เห็นภิกษุโกรธหนึ่งบวชกับพระองค์นะพระพุทธเจ้าทุกองค์จะอยู่บริเวณต้นโพ7สัปดาห์นะนะชนผู้บวชกับพระองค์เนี่ยนะเนื่องจากองค์3ตรวจดูอุปนิสัยว่าเขาเป็นผู้มีความสามารถที่จะแทงตลอดถ้าทำได้ก็เสด็จไปทางอากาศนะพระองค์เสด็จลงที่ป่าอิเศตปัตนามรุษทายวัน ป่าอิสิปตัตนา ม, มิขทนายาวันเนี่ยนะที่เมืองอะไรเมืองสังกัสร์นะสังกัสร์นครประกาศถ้าทำมาจากถ้ำกลางภิกษุเหล่านั้นอันนี้เป็นอภิสมัยครั้งที่หนึ่งก็คือเสด็จไปแสดงให้กลุ่มนักบวชที่บวชตามตรัสรู้เหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราอ่ะนที่ไปแสดงให้กับพระปัญจวัคคีอันนี้มีผู้ตรัสรู้ประมาณแสนโกด ด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าในมนด ก, กับกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์นั้นเองได้มีพระศาสดาพระนามว่าปุตสะผู้ยอดเยี่ยมไม่มีผู้เปรียบผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้หมายความว่าพระองค์นี่เสมอกับพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอผู้นำของโลกแม้พระองค์กำจัดความมืดทั้งหมดแล้วก็สางรกชัดขนาดใหญ่เมื่อพระองค์ยังโลก พร้อมทั้งเทวโลกให้อิ่มหนำพระองค์ก็หลังอมตะธรรมให้ตกลงมาหลังเมฆฝนคือพระธรรมเทศนาเสียงของพระองค์เนี่ยเป่งไปรวดเร็วก็เหมือนกับเมฆฝนหมู่ประชาชนที่ฟังและเข้าใจเหมือนได้ดื่มอมตะธรรมเมื่อพระปุษฏพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมมจากในสมัยนักขัตตะมงคลอันนี้เป็นอภิสมัยครั้งที่หนึ่งก็ได้มีแกศัต ร, ร์แสนโกรธ คำว่าชะตาที่บอกว่าพระองค์เนี่ยนะสางรกชัดใหญ่ชะตารกชัดเป็นชื่อของตันหานะถ้าหากว่าตันหาเนี่ยนะมันแผ่เป็นเหมือนกับสายใหญ่แมงมุมเนี่ยสงสัยเดินแหวกลำบากมากนะเพราะใหญ่นอนมันพันนี่ใหญ่นี่มันพันโน้นมันพันมันยุ่งเยิงวุ่นวายไปหมดอ่ะนะมันถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยนะลืมตาขึ้นแล้วมันพุ่งได้เหมือนใหญ่แมงมุมเนี่ยสงสัยบอกโอยกระแสด์เยิมเลยนะไหลไปพุ่งไปร้อยรัดนัดมัดทั่วไปหมดเลยนะ สนลักษณะของตันหานั้นจึงเชื่อรกชัดเหมือนชัดคำว่าชัดที่นี่มันเหมือนกับป่าไผป่าป่าไผที่ถ้าว่าต้นไผ่กอใหญ่ๆเนี่ยนะถ้ามันอยู่ติด ๆ, ๆ, ๆ, ๆกันและเป็นไผที่มีน้ำด้วยเนี่ยโหยากจะแหวกยากตันหาก็ชั้นนั้นเนี่ยนะรัถ้าเขาบอกว่าตันหานี่มันรกชัดแบบนั้นแต่ถ้าไป ผลของตันหาผลิตออกมาเนี่ยถ้ามันเป็นเหมือนกับน้ำให้มันก็เกาะเกี่ยวแต่แล้วก็เจ็บปวดโซกะปริเทวะทุกโทมานัตอุปายาตไหลไปน้ําตาจึงเรียกว่าถ้าหากว่าน้ําตาเนี่ยมันตั้งอยู่ได้เหมือนมลเมล็ดอะไรสักแห่งเนี้งสายเราเดินเหยียบแต่น้ําตากันนเนี่ยทั้ายเดินเหยียบแต่น้ําตาเนี่ยไปเอายดน้ําตานี่ยมาสร้างเป็นถนนได้ไม่รู้กี่สายถ้าหยดน้ําตาเท่ากับเม็ดตาเนี่ยทั้สายสร้างถนนได้ไม่รู้กี่สายเท่ากี่สายแล้วนะ ตัณหานั้นเรียกว่าชตาชตาแปลว่าชัดนะนะอันโตชตาพระหิชตาอย่างที่เทวดาท่านหนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าหมูสัตว์เนี่ยนะรกชัดทั้งภายในรกชัดทั้งภายนอกหมู่ประชาถูกตัณหาที่มันรกชัดอย่างนี้แล้วอ่ะจะสะสางตัณหาเหล่านั้นได้อย่างไรพระองค์ก็บอกว่าสีเลปฏิทหายะนโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะภาวะยังอาตาปีนิปโกภิคุโสอิมังวิชตาเยชะตังนะนะ ก็กล่าวถึงวิธีการสร้างรกชัดตามวิสุทธิมัชนะวิสุทธิมัชก็กล่าววิธีสาธางชำระรกชัดพราะคําว่าทือตันหาที่เรียกว่ารกชัดเนี่ยเพราะว่ากล่าวคือขนมร่างแห я. คือมันเหมือนกับร่างแหที่คลุมด้วยได้ใครเคยมองเห็นแห я, มาแห я, หรืออวนเนี่ยนะมันหมายมันชัดแบบนั้นแล้วแต่ไม่มันไม่ใช่ชั้นเดียวไม่รู้กี่ชั้นดอกกี่ชั้นกี่ชั้นและมันก็เกิดบ่อยๆ ร้อยเอาไว้ด้วยตันหาเบื้องล่างเบื้องบนอนนะทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องบนในอารมณ์ทั้งหมดไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสภพอตภะทำอา ร, รมณ์ในรูปทั้งหลายตันหามันชอบสีเขียวสีขาวสีเหลืองสีดำมันชอบได้หมดอ่ะไม่มีส่วนเหลือตันหานี่มันรกชัดอย่างนั้นพระองค์ก็สะสางชําระเบ็ดเสร็จด้วยอนนะพระขันคือปัญญาเนี่ยนะที่รับดีแล้วด้วยสมาธิใช้มือคือศรัทธาเนี่ยนะ จับให้มัน่นยืนบนแผ่นดินคือศีลด้วยสองพระบาทคือวิริยะฟาดฟันตัดรกชัดอันนั้นเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นผู้ที่ไม่มีบ่วงนะทำลายรกชัดสะสางได้เสร็จสิ้นแล้วหลังจากที่ตรัสรู้พระองค์ก็แสดงธรรมให้สรพสัตอิ่มด้วยธรรมมัคธากล่าวคืออมะตะทำให้ตกลงมาครั้งพระเจ้าสิริวะัฒะกรุงพาราณสีนะนะกาสีกับพาราณสีนี่แควนเดียวกัน ชื่อเมืองนี่ชื่อเมืองกะภาราสีแคว้นชื่อว่าแคว้นกาสีนไอย่างก็แบบอะไรนะชื่อเมืองหลวงกับชื่อแผ่นดินเนี่ยนะก็หลาอย่างชื่อแผ่นดินเรียกว่าแผ่นดินกาสีนะหรือว่าจางังโกสลชนบทแต่ว่าเมืองชื่อว่าสาวัตถีอย่างงี้นะอย่างสมยัยใหม่ก็แล้วนะอย่างทางอินเดียเขาบอกว่ารัฐเนี่ยชื่อว่ารัฐอะไรเช่นว่ารัฐพิหารเมืองหลวงของรัฐพิหารชื่อว่าอะไร เรว่ารัฐอุตรประเทศเมืองหลวงของอุตรประเทศ ช, ชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรที่ไปยืนที่ไปตาเรือกันอยู่สถ า, านีรถไฟทั้งหลายชั่วโมองกันน่ะลักเนานอันนั้นเมืองหลวงของแคว้นกาสีสมัยปัจจุบันอยู่ที่เมืองลักเนาเนี่ย้อนกลับมานะว่าพระเจ้าสิริวัถกรุงพาราณสีคนละยุกกันนะฟังให้ดีเดี๋ยวไปสับสนเหมือนยุคปัจจุบันก็ละยุ่งเลย พระเจ้าสิริวัฒกรุงพารณสีนั้นละกองโภคสมบัติใหญ่ผนวดเป็นดาบทมีดาบทที่บวชกับพระองค์จํานวน9ล้านพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไปแสดงธรรมโปรดดาบทเหล่านั้นครั้งนั้นอภิสมัยครั้งที่สองได้มีแก่สัตว์9ล้านส่วนครั้งที่พระองค์แสดงธรรมโปรดอนุปมะกุมารพระโอรสของพระองค์อันนี้ก็เป็นอภิสมัยการตรัสรูธ้ธรรมครั้งที่สมีจํานวนสัตว์8ล้านเน้นอรหันต์ะนะ อภิสมัยครั้งที่สองได้มีแกษัตดิ์9ล้านครั้งที่ส8ล้านต่อมาพระสุรคิตราชโอรสและธรรมเสนกุมารบุตรปุโรหิตนกันนุกอ่กันณกุชะนะครเมื่อพระปุษตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จถึงนครของตนก็ออกไปรับเสด็จพร้อมด้วยบุรุษ6ล้านถวายบังคมแล้วก็นิมนต์ถวายมหาทาน7วันสดับธรรมกถาของพระทศพลแล้วก็เลื่อมใส พร้อมกับบริวารก็พากันออกบวชแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงท่ามกลางภิกษุหล้านเหล่านั้นอันนี้เป็นสันนิบาตประชุมอรหันตสาวกครั้งที่หนึ่งต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงพุทธวงศในสมาคมพระญาติประมาณหกสของพระเจ้าชัยเสนกรุงกาสีชนห้าล้านฟังพุทธวงศนั้นแล้วก็พากันบวช ด, ด้วยเอหิพิขุบันปชา นะก็เพราะว่าที่ว่าฟังพุทธวงศและออกบวชนี่เห็นเลยว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เนี่ยมีวงมานะพระองค์ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ต่างๆจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทสักเนี่ยมันก็เลื่อมสายว่าพระองค์เนี่ยตรัสรู้ทางเป็นที่พ้นทุกข์แน่แท้แล้วก็ออกบวชบวชแล้วก็บรรลุเป็นพระหันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางพิสุเหล่านั้นยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดง อันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สองต่อมาบุรุษสี่ล้านฟังมงคลคาถาในมหามงคลฟังมงคลสูตรนั่นแหละในสมาคมนั้นก็บวชบวชแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พะสุคตผู้เสด็จไปดีแล้วเสด็จอยู่ท้ามกลางพิสูจนเหล่านั้นยกปาติโมกขึ้นแสดงอันนี้เป็นสาวกสันนิบาตครั้งที่สาม ด้วยเหตุนั้นในพุทธวงศาถากล่าวว่าพระพุทตะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทรงมีสันนิบาตประชมพระสาวกผีนาศพผู้ไร้มนทินมีจิตสงบคงที่อยู่สามครั้งประชุมพระสาวกหนึ่งล้านเป็นสันนิบาตครั้งที่หนึ่งประชมพระสาวกหล้านเป็นสันนิบาตครั้งที่ 1, สอง 2, ประชมพระสาวกผู้หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นผู้ขาดปฏิสนธิแล้ว4ล้านอันนี้เป็นสันนิ สันนิบาตการประชุมสาวกครั้งที่สทั้งนั้นพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยทรงเป็นกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าวิชิตาวีนครอรินธรรมะพระองค์สดับพระธรรมของพระพุทธเจ้าทรงเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าถวายมหาฐานแด่พระองค์สละราชสมบัติใหญ่ผนวดในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียนพระไตรปิดกทรงพระไตรัยปิดกตัดธรรมกะถาแก่มหาชนและบำเพ็ญศีลและบารมี พระพุทธพระปุษฏะพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็พยากรณ์พระโพธิสัตว์นั้นว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็อย่างที่พระองค์ตรัสเล่าว่าสมัยนั้นเราเป็นกษัตริย์นามว่าวิชิตาวีละราชสมบัติใหญ่บวชในสำนักของพระองค์พระปุทษฏะพุทธเจ้าผู้นำเลิศแห่งโลกพระองค์นั้นพยากรณ์เราว่า92กับนับแต่กับนี้ท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็พยากรณ์ทุกประการพระพุทธเจ้านั้นเมื่อได้รับพยากรณ์อย่างนั้นก็เล่าเรียนพระสูตรทรงพระวินัยและนวังข้าศัตรูทั้งหมดอย่างพระศาสนาของพระชินเจ้าให้งดงามอย่าลืมว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อตรัสรู้เช่นกับพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตท่านเหล่านี้จึงรักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าช่วยส่งเสริมให้พระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าดำรงคงอยู่คู่กับ พุทธบริษัทผู้ที่มีบุญวาสนาอุปนิสัยไม่ใช่พระโพธิสัตว์คือผู้ที่เกิดมาเพื่อทําลายพระไตรปิฎกไม่ใช่แต่หมายถึงผู้ที่ส่งเสริมศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามคําสอนทุกประการเชื่อฟังโอวาทของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์ที่แปลกปลอมเข้ามาก็มาเพื่อทําลายคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่มาในนามว่าตัวเองปรารถนาเป็น พระพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่มันผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นเป็นผู้รักคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีใจยินดีที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่กล้าออกมาทําอะไรที่มันแปลกประหลาดแล้วเพื่อทําลายศาสน า, าพุทธเจ้าอ้างว่าตัวเองอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันไม่ถูกต้องไม่เหมือนพวกข้าศัพท์ทางโลกอาจจะปลงพระราชาพระองค์หนึ่งแล้วตัวเองก็ได้ขึ้นบัลลังก์แทน อันนั้นในระบบทางโลกที่เคยมีในอดีตการเนี่ยนะแต่ทางพุทธศาสนาไม่ได้เป็นเช่นนั้นไม่มีผู้ใดเกิดขึ้นมาในโลกแล้วทาลายพระพุทธเจ้าแล้วตัวเองจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่มี น, นะก็มีก็ตัวอย่างคล้ายพระเทวทัตเท่านั้น น, นะผู้อื่นที่ตัวอย่างที่ได้ดิบได้ดีไม่มีมีแต่ตัวอย่างแบบพระเทวทัตเท่านั้นเองมันผู้ที่เป็นพระโพธิสัตมนั้นหมายถึงผู้ที่มาศึกษาปฏิบัติเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะยังพระศาสนาของพระพุทธเจ้าให้งดงามนะไม่ใช่เข้ามาตั้งตนตั้งตัวเป็นเจ้าลัทธิอะไรเพราะท่านเหล่านั้นเคารพพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าชีวิตนะเป็นผู้ที่สามารถสละชีวิตเป็นพุทธบูชานะน้อมไปที่จะปฏิบัติตามด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในพุทธวงกล่าวต่อไปอีกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะในสมัยพระพุทธเจ้าพุทสัพระองค์อยู่อย่างไม่ประมาท อย่างพระศาสนานั้นให้เจริญเสร็จแล้วพระองค์ก็เจริญพรหมิหารภาวนาถึงฝั่งแห่งอภิญยาไปสู่พรหมโลกรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามวพปุสะนั้นพระองค์มีนครชื่อว่ากาสีพุทธบิดาพระเจ้าชัยเสนพุทธมารดาพนาสิริมาคู่อัครสาวกพระสุรคิตและพระธรรมเสณอุปทาของพระองค์ชื่อว่าสพิยอัครสาวิกาพระจาราและอุปจารา โผพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่าอมละกะต้นมะขามป้อมสรีระสูงห8ศอกพระชนมายุ ข, ของพระองค์90้า0ปีอาคาัครมเหสีชื่อว่าพระนางกีสาโคตมีพระโอรสชื่อว่าพระอนุปมะสเสด็จอภินิษสกรมด้วยยานช้างฝ่ายรายละเอียดเพิ่มเติมสักเล็กน้อยว่าพระาศาสดาพระองค์นั้นสั่งสอนชนเป็นอันมากให้ข้ามโอกคสงสารพระองค์พร้อมทั้งพระสาวก มีพระยศไม่มีผู้เปรียบก็ปรินิพานส่วนปริะนะปรนิพานที่กรุงกุสินาราเออคล้ายกับพระพุทธเจ้าของเราในรายละเอียดคล้ายๆกันหลายอย่าง น, นะเช่นเมืองกาสีเมืองกุสินาราชื่อมันคล้ายกันได้ชื่อพ้องกันได้นะแต่ว่าคนละยุคคนละสมัยคนละกลับห่างกัน9กบสกลับพระปุสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธ์ทัปรินิพานนาวิหารเสนารามกรุงกุสินาราได้ยินว่า พระบรมสาฤทธิ์ธาตุของพระองค์แผ่กระจายไปคล้ายกับพระพุทธเจ้าของเราเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธะพุทธเจ้าหรือพุทธะหรือปุตสะพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เนี่ยนะมีรายละเอียดกล่าวถึงในคัมภีร์พุทธวงศ์ว่าไม่ใช่มีเฉพาะผู้มาสร้างบารมีเนี่ยนะผู้มาสร้างบาปเพื่อตกนรกก็มีเนี่ยนะ ในสมัยพระพุทธเจ้าแล้วก็นายจากสมัยเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทธะนั้นสามารถให้เรารู้ว่าจากนรกสู่นรกจากนรกสู่นรกต่อเนื่องกันได้90ก้บับเหมือนกันนะ92กลับเลยนะจากนรกสู่นรกหลายไม่ใช่กลับเดียวนะตกนรกเขาบอกว่าบุญมันยังให้ผลได้ตั้งหลายกับใช่ไหม นรกมันก็ตกได้ทีหลายๆกลับเหมือนกันหมายว่าตายจากนรกสู่นรกจากนรกสู่นรกต่อๆไปเนี่ยนะสืบทอดทิศทางแห่งนรกเนี่ยนะได้เป็นหลายๆกลับเหมือนกันข้อความในคาถาธรรมบทเนี่ยนะย ม, มะกะะัฏวัตเรื่องเรื่องสัญชัยเนี่ยนะทีะ่ประวัติของพระเชดินสามพี่น้องเนี่ยนะพระเชดินสามพี่น้องเนี่ยท่านเคยบำเพ็ญบารมีในสมัยศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่า พุทธะเนี่ยนะหรือปุตตะพระองค์นี้เหมือนกันคือพระองค์ได้ตรัสเล่าให้พระพิสุทขทั้งหลายฟังในคาถาธรรมบทว่าเมื่อเก้าบองกัปนับถอยหลังจากกับนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์คือพระพุทธเจ้าติดสกับพุทสะอุบัติขึ้นในโลกนนะพระราชาพระนามว่ามเห็นทะได้เป็นบิดาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น มหินทาเนี่ยนะบอกเอ้เมื่อกี้เนี่ยชื่ออีกอย่างหนึ่งตรงนี้ชื่อมหาบวกอินทาเนี่ยนะมหาก็แปลว่าใหญ่อินทาก็แปลว่าใหญ่มหาแปลว่ากว้างอินทาแปลว่าใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งกว้างครอบครองผู้ น, นะนั่นก็อาจจะเรียกชื่อตามตามคุณภาพไม่ใช่ชื่อที่บิดามารดาแต่งตั้งเป็นพุทธเป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้า น, นะที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปุตสะพระองค์นั้น ทีนี้เมื่อพระองค์บรรลุสัมมาสัมโพธิยามตรัสรูปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระโอรสพระโอรสองค์เล็กของพระราชาได้เป็นอักขระสาวกบุตรปุโรหิตได้เป็นทุติยสาวกอักรสาวกองที่สองอัสาวกอนสาข้างซ้ายข้างขวาบุตรของพระองค์เนี่ยนะก็คือน้องต่างมานดาของพระพุทธเจ้าเป็นอักระสาวกองที่1บุตรปุโรหิตเป็นองค์ที่สอง หลังจากที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักเป็นต้นให้เป็นไปในที่สุดพระองค์ก็ไปโปรดพุทธบิดาพนพระราชาก็ยังไปสํานักยังพระศาสดาตรวจดูชนเหล่านั้นว่าโอรสองค์ใหญ่ของเราเป็นพระพุทธเจ้าโอรสองค์เล็กเป็นอัครสาวกบุตรปุโรหิตก็เป็นสาวกที่สองพระงค์ก็เลยอุทานว่าพระพุทธเจ้าของข้าพเจ้าพระธรรมก็ของข้าพเจ้าพลพระสงฆ์ก็ของข้าพเจ้าเอาก็ถือว่าโอ้ของเราหมดเลยนะเนี่ย เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นแปลว่าณโมตสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะเนี่ยนะโอ้พระพุทธเจ้าของเราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้กับของเราในที่ออกบวชเป็นสาวกของเราก็เลยหมอบลงเ ท, เท้าของพระพุทธเจ้าปฏิญญาณ น, นิมนต์นะนิมนต์เองเลยว่า ใช้อำนาจของปะราชานิมนต์เลยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้เป็นดุดเวลาที่หม่อมฉันนั่งหลับในที่สุดอายุประมาณ 90,000 ืปีขอพระองค์อย่าเสด็จไปสู่ประตูของชนเหล่าอื่นช่วงเก้า0ปีเนี่ยอายุมันสั้นเหลือเกินพันพระองค์ไม่ต้องไปที่อื่นหรอกนิมนต์อยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วกันเพราะฉะนั้นขอจงรับปัจจัยสี่ของหม่อมฉันตลอดเวลาที่หม่อมฉันยังมีชีวิตอยู่อขอทาบุญแต่เพียงผู้เดียวตลอดไปนนะ เสร็จแล้วพอรับสั่งให้ปั๊บทำพุทธอุปถาคประจําคนอื่นไม่ต้องได้ทําบุญกันละพระราชานั้นมีพระราชโอรสคือเขามีมีมเหสีหลายองค์ะนะนี่ก็มเหสีอีกองคหนึ่งก็มีราชโอรสอื่นอีกสมองค์บรรดาโอรสสองค์เหล่านั้นองค์ใหญ่มีนักรบเป็นบริวารห้าร้องค์กลางมีนักรบบริวารสามรอองค์เล็กมีบริวารอีกสองพระราชโอรสสมองค์เหล่านั้นก็ทูลขอโอกาสกับบิดาว่า พระพุทธบิดานั่นแหละว่าหม่อมฉันทั้งหลายจยากนิมนต์พระเจ้าพี่เสวยอยากจะนิมนต์หลวงพี่พู้เทเจ้าอะถ้าเจ้าพี่ก็หลวงพี่นั่นแหละมาเสวยฉันอาหารบ้างทูลอ้อนวอนบ่อยๆก็ไม่ได้นะอยากจะนิมนต์ทำบุญกับพระพี่ชายบ้างพ่อก็ไม่ยอมไม่อนุญาตเอาไงดีนะคิดแผนขึ้นมาได้นั่นแหละสั่งให้ทหารสั่งให้คนตัวเองไปทําให้ชนบทมันกําเริบเหมือนโจรปล้นชาวชนบท ข่าวมันก็ดังมาจนถึงบ้านถึงเมืองสามพี่น้องพร้อมกับนักรบทั้งพันก็ถูกส่งไปเพื่อระงับปัจจันตชนบทปราปจจันตชนบทให้ราบคาบนั่ก็ไปถึงก็ชนะหมดแล้วนะเขคนของตัวนั่นแหละส่งไปกลับมาสู่สำนักพุทธบิดาสำนักพระราชาบอกว่าพระบิดาก็ดีใจสวมกอดพระอุรสทั้งสามจุมพิ ธ, ธีศีรษะว่าโลูกทั้งหลายพ่อจะให้พรกับพวกเจ้า ลูกชายทั้งสามออรสทั้งสาบอกสาทุกพระเจ้าขา่าดีแล้วก็เลยทำบอกว่าพระองค์ให้พรแล้วเป็นอันให้นะห้ามถอนคืนเด็ดขาด น, นะนะกษัตริย์ตรัดแล้วไม่คืนคำเนี่ยเห็ไหมเรียกว่าพูดผูกพูดมัดพูดร้อยรัดจนบอกว่าอาย่างไงพ่อก็ให้แน่นอนลูกทีนี้ก็ไม่ขอตอนนั้นเลยเดี๋ยวอันนะให้เดี๋ยวให้พ่อสงบสติอารมณ์สักพักหนึ่งมนะ วันล่วงไปสองสามวันพระบิดาพระตรัสอีกลูกรับพรนาไปเถอะพ่ออยากให้เต็มทีแล้วล่ะเดี๋ยวจะเสียคำมั่นสัญญาอย่างั้นอยากให้พรลูกเร็วๆก็เลยได้โอกาสบอกว่าพระเจ้าค่าความประสงค์หรือความต้องการด้วยสิ่งไรๆอื่นของหม่อมชั้นไม่มีไม่ต้องการอย่างอื่นเลยตั้งแต่บัดนี้หม่อมชั้นจักนิมนต์พระเจ้าพี่เสวยขอพระราชทานพร น, นี้แก่หม่อมชั้นเถอะตอบทันทีไม่ต้องคิดมากบอกให้ไม่ได้ ให้ไม่ได้หรอกลูกว่างั้นไม่ต้องอธิบายบอกให้ไม่ได้อ้าวถ้าหากว่าพระองค์อนุญาตตลอดไปไม่ได้ขอเพียงเจ็ปีก็ได้พระเจ้าค่ะโอ้ให้ไม่ได้หรอกลูกเออว่างั้นงั้นหปีก็แล้วกันบอกไม่ได้ห้าปีไม่ได้สี่ปีโอ้ยิ่งไม่ได้เลยสามปีก็ไม่ได้เหมือนเดิมว่างั้นสองปีก็ไม่ได้ปีเดียวก็แล้วกันปีเดียวก็ไม่ได้เจ็ดเดือนแล้วกันเนาะ ไม่ได้ห้าเดือนไม่ได้สี่เดือนไม่ได้สามเดือนละ่ะให้ไม่ได้หรอกอ น, นะลกก็บอกโอ้โหนี่มันลดกันต่อรองเจ็ปีเหลือสามเดือนแล้วเนี่ยไม่ได้อีกเอางี้ละกันบอกช่างเถอะพระเจ้าพาขอพระองค์พระราชทานสักสามเดือนแก่ข้าพระองค์เป็นว่าคนละเดือนก็แล้วกันอันนี้ครั้งนี้ครั้งยื่นคำสุดท้ายะนะ อาจ จ, อาจจะมีคำหน้าคำหลังก็ได้บอกว่าถ้าตำวันนี้ไม่รับแล้วนะพ่อก็บอกสาธุถ้ากันนั้นเจ้าจงนิมนต์พระพุทธเจ้าให้สเสวยสามเดือนเธอ